ตอนที่12ธรรมะสำหรับผู้ป่วยความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาของชีวิตเราคงทราบดีว่าชีวิตของทุกคนมีขึ้นมีลงต้องประสบกับสิ่งที่เป็นบวกและลบบางครั้งก็ได้ลาบบางครั้งก็เสียลาบบางครั้งก็ได้รับคำสรรเสริญแต่บางครั้งก็ถูกตำหนิส่วนใหญ่เรามีสุขภาพดี แต่บางครั้งก็ต้องพบกับความเจ็บป่วยพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามีทั้งสิ่งที่น่ายินดีและไม่น่ายินดีมีทั้งสิ่งที่น่าปรารถนาและสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานี้พูดรวมๆก็คือความสูญเสียพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักคนส่วนใหญ่มักเอาสุขและทุกข์ของตัวเองไปผูกติดกับสิ่งที่มากระทบ คือถ้าประสบสิ่งที่ดีๆก็มีความสุขแต่ถ้าประสบกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นลบก็จะรู้สึกทุกข์อย่างเช่นสูญเสียทรัพย์สินพลัดพลากจากคนรักเจ็บป่วยหรืองานการไม่ประสบความสาเร็จจะว่าไปแล้วชีวิตของคนเราทุกข์ก็เพราะสี่เรื่องใหญ่ๆอันที่หนึ่งคือเรื่องร่างกายได้แก่สุขภาพ และอาจจะรวมถึงรูปร่างหน้าตาสวดทรงสมัยนี้ดูจะเน้นตรงนี้มากถ้าเกิดน้ำหนักมากหรือว่าผิวคล้ำหรือแม้แต่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก็ทุกแล้วนอกจากทุก์เพราะเรื่องร่างกายแล้วต่อมาก็ทุกเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินสูญหายไปก็เป็นทุกข์หรือแม้จะได้มาแต่ถ้าได้ไม่ถึงใจ หรือรู้ว่าคนอื่นได้มากกว่าเราก็ทุกเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้มากมีชาวบ้านคนหนึ่งแทงหวยถูกได้เงินมา600บาททีแรกก็ดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนอีกคนแทงหวยถูกเหมือนกันแต่ได้สองพันบาทเพราะแทงมากกว่าพอรู้เข้าที่เคยยิ้มก็เปลี่ยนเป็นหน้าบึ้งทันทีอันดับที่สก็คือเรื่องความสัมพันธ์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลย เช่นเพื่อนไม่รักพ่อแม่ไม่เข้าใจหรือลูกไม่ดูแลเอาใจใส่มีคนมาตำหนิหรือถึงขั้นสูญเสียคนรักเจออย่างนี้ก็จะทุกข์มากหรือว่าเป็นคนดังแต่ไปที่ไหนไม่มีคนทักไม่มีใครรู้จักก็ทุกข์ได้อันนี้รวมถึงหน้าตาและศักดิ์ศรีด้วยสุดท้ายคือเรื่องงานการงานไม่คืบหน้างานไม่ประสบความสาเร็จ หรือว่าเจ้านายไม่เห็นคุณค่าของเราเขาไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เราอันนี้ก็ทุกได้คนเราส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นความทุกข์เพราะเหตุสี่ประการ น, นี้แต่จะว่าไปแล้วคนเราจะสุขหรือทุกข์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือมีอะไรมากระทบเราสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจเราต่างหาก มีบางคนที่เจ็บป่วยสูญเสียเงินทองแต่เขาไม่ทุกข์ก็มีอาตมาไปไต้หวันมาได้ฟังเรื่องของเศรษฐินีคนหนึ่งเธอถูกโกงเงินไปหกสิบล้านที่แรกเจ้าตัวก็ทุกข์มากแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ยิ้มได้มีคนถามว่าทำไมถึงยิ้มออก เธอตอบว่าก็ยังมีข้าวหอมกรุ่นกินอยู่ทุกวันยังมีที่หลับที่นอนสบายๆจะไม่สุขได้อย่างไรคนอื่นเขาไม่มีกินไม่มีที่หลับที่นอนเราสบายกว่าเขาเยอะจะทุกไปทำไมพอคิดได้แบบนี้เธอก็ไม่ทุกตรงกันข้ามบางคนอาจจะถูกหวยได้มา20ล้านหรือได้มา100ล้านพันล้านแต่ว่าชีวิตนี้กลับทุก เพราะว่ามีคนมามารุมมาตุ้มมาขอเงินตอนที่เราไม่ถูกหวยเราก็คิดว่าใครมาขอเท่าไหร่เราก็ให้อัตมาขอถามหน่อยสมมุติว่าเราถูกหวยได้เงิน20ล้านมีใครมาขอล้านนึงเราจะให้ไหมหลายคนบอกว่าให้ไม่เห็นยากเลยให้แล้วก็ยังเหลืออีกตั้ง19ล้านแต่ถ้าเราถูกหวยจริงๆมีคนมาขอแค่แสนเดียวยังไม่อยากจะให้เลย มีคนมารุมขอเงินจากเราคนละแสนสองแสนเราก็กลุ้มใจฉะนั้นดูให้ดีๆสุขหรือทุกข์ของคนเรามันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมากระทบกับเราไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแม้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเราก็ทุกได้อย่างเช่นมีคนแจกเงินให้เรา5 0 0พันหรือได้โบนัสมามื่นบาท เราดีใจใช่ไหมแต่พอเรารู้ว่าเพื่อนได้มากกว่าเราเขาได้สองหมื่นบาทเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเลยเคยสังเกตหรือเปล่าเวลาเอาผ้าห่มไปแจกให้ชาวบ้านชาวบ้านได้ผ้าห่มคนละผืนก็ดีใจแต่ถ้าเขารู้ว่าบ้านอื่นได้สองผืนจากที่เคยดีใจก็กลายเป็นเสียใจทันทีอาจจะเสียใจยิ่งกว่าตอนที่ไม่ได้แจกผ้าห่มซะอีก แม้ได้ลาบมาก็อาจจะทุกได้ถ้าวางใจไม่เป็นในทางตรงข้ามแม้จะสูญเสียสิ่งดีๆไปก็ไม่ทุกขถ้าหากวางใจให้เป็นเพราะฉะนั้นสุขหรือทุกจริงๆแล้วอยู่ที่ใจทีนี้พูดเฉพาะเรื่องความทุกข์อย่างที่บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญแต่ว่าตรงไหนในจิตใจที่ทำให้เราทุกคาตอบ ก, ก็คือความยึดติดนั่นเอง เวลาเราทำเงินหายทั้งๆ ท, ที่ผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วแต่ทำไมเรายังทุกข์อยู่เพราะใจเรายังไปติดไปยึดอยู่กับเงินก้อนนั้นอยู่เงินอาจจะหายแค่พันบาทเทียบไม่ได้กับเงินที่เรามีอยู่ในธนาคารเป็นแสนเป็นล้านแต่ทำไมเงินแค่นี้ถึงทำให้เราทุกข์ก็เพราะเรายังไม่ยอมปล่อยวางใจเรายังไปยึดอยู่กับเงินพันที่หายไป ความเจ็บป่วยก็เหมือนกันคนเราเวลาเจ็บป่วยไม่ได้ป่วยที่กายอย่างเดียวแต่ยังทุกข์ที่ใจด้วยถามว่าทุกข์ใจเพราะอะไรก็เพราะไปห่วงกังวลว่าฉันจะอยู่อย่างไรใครจะดูแลฉันใครจะดูแลลูกฉันบางทีก็คิดไปถึงความตาย น, นู่นมีบางคนไปหาหมอทันทีที่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็สุดเลยไม่เป็นอันกินอันนอนซึมทั้งวัน ทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนไปหาหม อ, อยังกระฉับกระเฉงยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทำไมพอรู้ข่าวเท่านั้นก็ซุดเลยที่ซุดไม่ใช่เพราะริดมะเร็งนะแต่ซุดเพราะใจใจไปคิดถึงความตายหรือไม่ก็สร้างภาพเลวร้ายว่าต่อไปฉันจะเจ็บป่วยอย่างทุกทรมานจะทุรนทุรายจนตายพูดง่ายๆคือทุกเพราะกังวลกับอนาคต ใจปรุงแต่งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไปยึดกับผ้าปรุงแต่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าไปยึดติดกับอนาคตจะว่าไปแล้วคนเราหากป่วยกายอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มักป่วยใจด้วยป่วยใจคือกังวลกลัวตื่นตระหนกเครียดกลุ้มใจซึ่งวักเกิดจากการปรุงแต่งอนาคต ไปสร้างภาพที่เกินเลยจากความเป็นจริงบางทีอาการไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่แต่พอสร้างภาพหรือปรุงแต่งไปในทางที่เลวร้ายก็ทำให้ร่างกายแย่ลงท่านอาจารย์ประเวศวสีเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีผู้ป่วยคนหนึ่งมาหาแกตัวซีดไม่มีเรียวแรงจนต้องนอนเปลมา คุณหมอซักถามอาการเสร็จแล้วก็หันไปพูดกับแพทย์ฝึกหัดว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากแค่มีพยาติปากขอทำให้เลือดจางเมื่อได้กินเหล็กก็จะดีวันดีคืนพอพูดจบก็หันไปมองคนไข้ปรากฏว่าคนไข้ลุกขึ้นมาได้เลยแล้วบอกว่าถ้าคุณหมอบอกว่ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปลนี้แล้วละว่าแล้วก็เข็นเปลไปชิดผนัง ทีแรกคนไข้คนนี้ไม่มีแรงขนาดต้องนอนเปลทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่เขาแค่มีพยาทเท่านั้นนั่นก็เพราะเขาคงคิดไปว่าฉันเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายคิดอย่างเดียวไม่พอแต่ยังยึดติดกับความคิดนั้นด้วยพอไปยึดว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาก็เลยกังวลตื่นตระหนกทำให้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง แต่พอคนไข้ได้ฟังคำของท่านอาจารย์ประเวศก็เลยปล่อยวางความกังวลรู้สึกสบายใจว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายพอใจสบายกายก็สบายมีเรียวมีแรงกลับมาเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยด้วยซ้ำตรงนี้คือปัญหาของคนเจ็บคนป่วยส่วนใหญ่คือว่าเจ็บป่วยทางกายอย่างเดียวไม่พอยังปล่อยใจให้เจ็บป่วยอีกด้วย เพราะมัวกังวลกับอนาคตหรือไม่ก็ไปนึกถึงอดีตเมื่อครั้งยังมีสุขภาพดีไปไหนมาไหนได้พอนึกถึงความสุขที่เคยสูญเสียไปเพราะความเจ็บป่วยก็เลยยิ่งทุกข์ใหญ่อย่างนี้เรียกว่าป่วยใจเพราะยึดติดกับอดีตไม่ยอมปล่อยวางนอกจากความยึดติดในอดีตกับอนาคตแล้วความยึดติดอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้คนเราเป็นทุกข์ก็คือความยึ ติดว่าเป็นฉันเป็นของฉันหรือเป็นตัวกูของกูที่จริงการยึดติดกับอดีตกับอนาคตและการยึดติดว่าเป็นฉันเป็นของฉันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าอาตมาแยกออกมาเป็นสองเพื่อจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นการยึดติดว่าเป็นฉันเป็นของฉันคือตัวการสำคัญที่ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างเช่นของหาย ถ้าเป็นของคนอื่นหายเราไม่ทุกข์เลยใช่ไหมแต่ถ้าเงินของเราหายเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทียิ่งยึดว่าเป็นฉันเป็นของฉันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเวลามีคนประสบอุบัติเหตุเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพี่น้องฉันเพื่อนฉันเราจะตกใจหรือถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ เวลาคนอื่นเดือดร้อนเราอาจรู้สึกเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเข้าบ้างเพื่อนทำสร้อยทองหายหรือรถของเขาถูกขโมยเราสามารถแนะนำเขาได้ว่าควรทำใจอย่างไรแต่ถ้าเราทำของหายซะเองสิ่งที่เราแนะนำคนอื่นกลับเอามาใช้กับตัวเองไม่ได้เลยเราแนะนำให้คนอื่นทำใจแต่เรากลับทำใจไม่ได้เพราะอะไร ก็เพราะเรายึดติดถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของฉันมันเลยกระเทือนไปถึงใจทำให้ลืมไปว่าเคยแนะนำอะไรแก่ใครไว้บ้างขอให้สังเกตดูพอเราไปยึดติดถือมั่นอะไรว่าเป็นของเราในที่สุดเราเองกลับกลายเป็นของมันไปเรายึดว่าเงินนี้เป็นของเราแต่ว่าพอมีคนมาปล้นมาจี้บางทีเราคิดจะสู้ขึ้นมาเลยนะ เพราะไม่อยากสูญเงินมีหลายคนยอมตายเพื่อรักษาเงินเอาไว้กลายเป็นว่าเรากลายเป็นของเงินไปเสียแล้วเงินไม่ใช่เป็นของเราแต่เราเป็นของมันมีรถคันหนึ่งอุตส่าห์ดูแลด้วยความภาคภูมิใจว่ามันเป็นของเราแต่พอเอาไปจอดไว้ข้างถนน ใจก็จะคอยกังวลถึงรถคันนั้นไม่เป็นอันทำงานไม่เป็นอันกินข้าวหรือว่าถ้ารถมีรอยขูดขีดควรขึ้นมาบางทีกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะเป็นห่วงมันตกลงว่ามันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันกันแน่นี่แหละคนเราทุกข์ก็เพราะไปยึดติดว่ามันเป็นชั้นเป็นของฉันคราวนี้มันเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยอย่างไรบ้าง มันเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยก็เพราะว่าเวลาเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาที่จริงมันเป็นแค่ร่างกายที่ป่วยมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่พอเราไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นของฉันเราก็จะรู้สึกว่าฉันเจ็บฉันปวดไม่ใช่แค่ร่างกายเจ็บป่วยเท่านั้นแต่มีความรู้สึกว่าฉันเจ็บฉันปวดซ้อนทับขึ้นมาตรงนี้แหละที่ทาให้เราทุกข์เพิ่มขึ้น เวลาเราปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์จะสอนให้เราสังเกตความรู้สึกนึกคิดพอมีความรู้สึกความนึกคิดเกิดขึ้นมาก็ให้เห็นมันแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นหรอกกลับเข้าไปเป็นมีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ได้เห็นความโกรธแต่ไปยึดเอาความโกรธเป็นของชั้นชั้นเป็นผู้โกรธมีความเครียดเกิดขึ้นก็ไม่เห็นความเครียด แต่ไปยึดเอาความเครียดเป็นของฉันฉันกลายเป็นผู้เครียดในทำนองเดียวกันเวลาเกิดความเจ็บความปวดถ้าเรามีสติเห็นว่าความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นกับกายเห็นเท่านั้นจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่พอไปยึดเอาว่าความเจ็บความปวดเป็นของฉันฉันเลยเจ็บปวดเลยทุกข์หนักกว่าเดิมอย่างนี้เป็นเพราะการยึดติดว่าเป็นฉันเป็นของฉัน ใหม่ๆอาจจะมองเห็นยากแต่ขอให้สังเกตว่าเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมามันจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจนี้เกิดขึ้นเพราะมีความยึดติดอยู่ลึกๆว่าร่างกายฉันต้องไม่เจ็บต้องไม่ป่วยความยึดติดที่ว่านี้แหละที่ทำให้ไม่ยอมรับความเจ็บป่วยมันทำให้จิต ด, ดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่ยอมรับความจริง เราก็เลยเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นคนทั่วไปมักยึดติดว่าร่างกายนี้จะต้องมีสุขภาพดีต้องแข็งแรงต้องเป็นดังใจชั้นนี่แหละคือสาเหตุขั้นแรกเลยที่ทำให้คนเราทุกข์คือพอไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นชั้นเป็นของฉั้นเราก็อยากให้มันเป็นไปตามใจเราเหมือนรถของชั้นจะมีรอยขีดรอยข่วนไม่ได้ หรือว่าบ้านของฉันจะเสื่อมไม่ได้เงินของฉันจะหายไม่ได้กล้องของฉันจะต้องอยู่ในสภาพดีตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เรายึดไว้ในใจอะไรก็ตามที่เรายึดว่าเป็นฉันเป็นของฉันเราจะมีความคาดหวังแบบนี้อยู่ในใจในทำนองเดียวกันเมื่อเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นของฉันเราก็จะมีความคาดหวังว่าร่างกายนี้ก็จะป่วยไม่ได้จะเจ็บไม่ได้ รวมทั้งจะแก่ไม่ได้ด้วยฉะนั้นพอเจ็บป่วยขึ้นมาเราจึงทุกข์มากเพราะว่ามันสวนทางกับความคาดหวังของเรานี่แหละคือสาเหตุแรกที่ทำให้คนเราทุกข์เวลาเจ็บป่วยทั้งทั้งที่ความเจ็บป่วยนั้นไม่ได้หนักหนาแต่พอมันไม่เป็นดังใจแถมยังปรุงแต่งไปในทางเลวร้ายเช่นฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่า พอคิดแค่นี้ก็ใจเสียเลยด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยการตระหนักว่ามันไม่ใช่ของเราสำหรับคนธรรมดาก็ให้ตระหนักไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงควรพิจารณาอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ใช่มาพิจารณาเอาตอนที่เจ็บป่วยแล้ว แต่ควรจะพิจารณาตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังสุขสบายดีอยู่เวลาที่ร่างกายเราสุขสบายดีก็ควรระลึกว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องเจ็บป่วยสักวันหนึ่งก็จะต้องแก่สักวันหนึ่งอวัยวะต่างๆก็จะแปรปรวนไปคือถ้าเราระลึกนึกถึงความไม่เที่ยงอย่างนี้อยู่บ่อยๆในยามที่มีสุขภาพดี ในยามที่ยังหนุ่มยังสาวพอเจ็บป่วยขึ้นมาหรือแก่ขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์มากแต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาอย่างนี้เลยพอเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์แต่ว่าก็ยังไม่สายเมื่อเจ็บป่วยแล้วเราควรยอมรับว่านี่คือความจริงนี่คือธรรมดาของชีวิตอย่าไปขัดขืนอย่าปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าโรคที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นโรคร้ายแต่ถ้าเรายอมรับตั้งแต่แรกว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ใจก็จะลดลงมีแต่ความป่วยกายเท่านั้นในทางตรงข้ามถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงเอาแต่ตีโพยตีพายว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นเราจะทุกข์ทั้งใจทุกข์ทั้งกาย คนเจ็บคนป่วยหลายคนมักจะพูดเช่นนี้รวมทั้งเวลาประสบเหตุร้ายเช่นของหายถ้าเราบ่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมรับความจริงว่าทุกๆคนรวมทั้งเราด้วยมีโอกาสที่จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแทนที่จะถามว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นเราควรจะถามใหม่ว่าทำไมถึงจะเป็นชั้นไม่ได้ เพราะว่าใครๆก็ป่วยใครๆก็สูญเสียทรัพย์สินคันใครๆก็สูญเสียคนรักกันทั้งนั้นถ้าเราระลึกเสมอว่าความไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความป่วยความพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตมันจะช่วยทำให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นเวลาเกิดเหตุร้ายทีนี้ก็มีปัญหาว่าเราปล่อยวางได้แล้วแต่ว่าบางครั้ง ทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดก็ยังมารบกวนเอาละป่วยไม่ว่าแต่ว่าป่วยแล้วทาอย่างไรถึงจะไม่เจ็บหลายคนยอมรับความป่วยได้แต่ยอมรับความเจ็บไม่ได้ทุกขเวทนามันแรงกล้าตรงนี้แหละที่เราจะต้องกลับมาพิจารณาว่าสิ่งที่เจ็บที่ป่วยนี้มันไม่ใช่เราร่างกายเจ็บแต่ไม่ใช่เราเจ็บ กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเป็นสิ่งที่ทำได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนอุบาสกคนหนึ่งว่าแม้กายกระสับกระสายแต่ว่าอย่าให้จิตกระสับกระสายคือกายกับใจนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยอันนี้ทำได้กายร้อนแต่ใจไม่ร้อนก็ได้ กายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บก็ได้จะทำอย่างนี้ได้ต้องอาศัยสติถ้าเรามีสติเวลาเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมาก็ให้เห็นหรือรู้ทันความเจ็บความปวดนั้นอย่าปล่อยใจให้เข้าไปจมอยู่ในความเจ็บปวดให้เห็นความเจ็บความปวดว่ามันเกิดขึ้ น, นกับกายแต่ว่าอย่าไปยึดติดถือมั่นว่าฉันเจ็บหรือฉันเป็นผู้เจ็บ หรือว่าความเจ็บเป็นของฉันตรงนี้ต้องอาศัยสติที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งฉับไวแต่เราก็สามารถฝึกได้ในชีวิตประจำวันแม้ในขณะที่กำลังเจ็บป่วยถ้าเรามีสติขึ้นมาเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเริ่มตั้งแต่การปล่อยวางความคิดปรุงแต่งเช่นความคิดฟุ้งซ่านว่าฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่าฉันจะตายดีไหม นี่เป็นความคิดปรุงแต่งที่ทำให้เราทุกข์เพิ่มขึ้นทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ปล่อยวางยากแต่ว่าอย่างแรกที่เราสามารถทำได้คือปล่อยวางความคิดความนึกเวลาเราเผลอคิดฟุ้งซ่านพอมีสติก็เห็นว่าความคิดนั้นเป็นอันหนึง่งใจเป็นอีกอันหนึง่งแต่ถ้าไม่มีสติก็ไปยึดว่าความคิดเป็นของฉันฉันเป็นผู้คิด ขนาดความคิดธรมดธรมดาธรรมดาเรายังไปยึดเลยนับประสาอะไรกับความทุกข์ซึ่งมีแรงดึงดูดจิตใจได้มากคนเราพอยึดแล้วเราไม่ได้ยึดแค่สิ่งดีๆนะสิ่งที่ไม่ดีเราก็ยึดอย่าไปคิดว่าเรายึดแต่สิ่งที่ดีๆเช่นทรัพย์สินเงินทองคนรักหรือความสุขสิ่งที่ไม่ดีคือความทุกข์ความโกรธความเหม็นเราก็ยึด ลองสังเกตดูถ้าเกิดมือเราไปถูกอุจจาระหรือถูกน้ำปลามันเหม็นใช่ไหมเราทำยังไงเราก็ล้างมือเอาสบู่มาขัดถูเอาน้ามาล้างทำเสร็จแล้วทำยังไงต่อเราเอามือมาดมใช่ไหมเราไม่ชอบกลิ่นอุจจาระกลิ่นน้ำปลาเพราะมันเหม็นแต่ก็ยังอดดมมันไม่ได้พอรู้ว่ายังมีกลิ่นติดมืออยู่เราก็จะล้างต่อ ล้างเสร็จทํำยังไงเอามาดมอีกทั้งๆที่ไม่ชอบกลิ่นที่ติดมือแต่ก็ดมแล้วดมเล่านี่เป็นการยึดติดอย่างหนึง่งเหมือนลิงเวลามือมันถูกกะปิมันไม่ชอบกระปิมากเลยมันก็เลยเอามือถูกับพื้นเพื่อกําจัดกะปิถูเสร็จก็จะเอามือมาดมดมเสร็จยังมีกลิ่นอีกก็จะถูใหม่ถูจนกระทั่งผิวเป็นแผลถลอกปอกเปิดก็ยังไม่เลิกถูก คือยิ่งเกลียดกะปิก็ยิ่งดมกะปิอยู่นั่นแหละถ้าเราโกรธใครเกลียดใครใจก็ยิ่งคิดถึงคนนั้นความเจ็บก็เหมือนกันนะความเจ็บเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราก็ยึดติดมันโดยไม่รู้ตัวพอเจ็บปวดขึ้นมาใจก็จะจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวดปวดตรงไหนใจก็จะจดจ่อแต่ตรงนั้นนี่เรียกว่ายึดติด สาเหตุที่ยึดติดก็เพราะไม่มีสติแต่ถ้ามีสติเราจะปล่อยวางได้มากขึ้นเราจะเห็นทุกขเวทนาแต่ไม่เข้าไปยึดทุกขเวทนานั้นแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีสติที่รวดเร็วฉับไวก็ต้องหาอะไรให้เป็นที่ยึดเหนียวของใจเอาไว้ก่อนใจจะได้ไม่จดจ่อปักตรึงกับความเจ็บปวดเวลาเจ็บปวด ถ้าสติยังไม่มีกำลังพอที่จะดึงจิตออกมาจากความเจ็บความปวดได้ก็ควรหาสิ่งอื่นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นนึกถึงพระพุทธรูปท่องบทสวดมนต์ในใจพออย่างนี้จิตก็จะมีที่ยึดเหนี่ยวหรือจุดสนใจทำให้ไม่ไปสนใจความเจ็บปวดการทำให้จิตมีสมาธิกับอะไรสักอย่างทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดลดลงที่จริง นี่เป็นวิธีที่เราทำอยู่บ่อยๆหรือเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆเราเคยไหมนั่งเป็นชั่วโมงๆโดยไม่รู้สึกเมื่อยเลยทำไมถึงไม่เมื่อยเพราะว่ากำลังดูหนังฟังเพลงหรือกำลังเล่นไพ่พอใจจดจ่ออยู่กับหนังเพลงหรือไพ่ก็เลยไม่ไปรับรู้ความปวดเมื่อยความปวดเมื่อยเกิดขึ้นแต่ใจไม่รับรู้ก็เลยไม่ทุกข์ อันนี้เพราะว่าใจมีสิ่งยึดเกาะแต่ว่าสำหรับคนป่วยสิ่งยึดเกาะที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรานับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราผูกพันทาให้ใจสบายและปล่อยวางความเจ็บปวดได้นอกจากความคิดปรุงแต่งและความเจ็บปวดที่ควรปล่อยวางแล้วยังมีอีกอย่างที่เราควรปล่อยวางด้วยนั่นคือความยึดถือในตัวฉันของฉัน หรือความยึดถือในตัวตนซึ่งเป็นความยึดติดที่ลึกซึ้งที่สุดการยึดติดในตัวตนเป็นตัวการสำคัญของความทุกข์ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเรามักยึดติดถือมั่นว่าร่างกายเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันดังนั้นพอมันมีอันเป็นไปเราจึงทุกข์ระทม การยึดถือในตัวตนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยปัญญาถึงจะปล่อยวางได้นั่นคือเกิดปัญญาจนเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวชั้นของชั้นแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ความเข้าใจอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความทุกข์คือประสบกับความผันผวนปรวนแปรจนเห็นชัดว่าไม่มีอะไรที่ยึดถือว่าเป็นตัวชั้นของชั้นได้เลยพูดอีกอย่างก็คือ ช่วงเวลาที่เราจะปล่อยวางได้ดีที่สุดก็คือตอนที่เราทุกข์ทุกข์จนรู้ชัดว่าร่างกายนี้ไม่น่ายึดถือเรายึดติดถือมั่นในร่างกายนี้เนื่องจากเราคิดว่าร่างกายนี้เที่ยงเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสุขพูดง่ายๆก็คือเราไปยึดเพราะเข้าใจว่ามันน่ายึดแต่เราไม่ได้เห็นว่ามันมีโทษอย่างไรบ้าง เหมือนกับเราไปยึดเอาทรัพย์สมบัติว่าเป็นของฉั้นเพราะว่ามันให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายสร้างปัญหาให้กับเราทําให้เรากังวลทําให้เรากลุ้มใจทําให้เป็นทุกข์เราก็จะสละหรือปล่อยวางได้ง่ายความยึดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะเราไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสุข เที่ยงแท้เป็นตัวตนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันทุกข์เหลือเกินไม่จีรังยั่งยืนก็จะเห็นว่ามันไม่น่ายึดก็จะปล่อยวางได้ในสมัยพุทธกาลมีหลายท่านที่บรรลุธรรมได้ในยามที่ป่วยหนักทั้งนี้เพราะท่านเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกอย่างยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่าสังขารไม่น่ายึดถือ อย่างเช่นพระติดสะซึ่งป่วยหนักมีแผลผู้พองเต็มตัวทรงกลิ่นเหม็นจนไม่มีใครอยากจะมาดูแลแม้กระทั่งพระด้วยกันก็เมินจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทราบข่าวจึงเสด็จมาดูแลเอาใจใส่เช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดจีวรซึ่งเปรอะเปื้อนอุจจาระปัสสาวะจนท่านรู้สึกดีขึ้นจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอีกไม่นาน ร่างกายนี้จากปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดินเหมือนท่อนไม้อันหาประโยชน์ไม่ได้พระติสสะได้พิจารณาตามและประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่าร่างกายนี้ไม่น่ายึดถือเลยพอท่านเห็นชัดปัญญาก็เกิดปล่อยวางสังขารได้อย่างสิ้นเชิงทำให้ท่านบนรรลุอรหัตผลจังหวะเดียวกับที่หมดลม มีภิกษุสงฆ์บางท่านแก่มากเดินกระย่องกระแย่งเดินแต่ละก้าวลำบากมากมีคราวหนึ่งท่านเดินหกล้มตัวกระแทกพื้นปวดในขณะนั้นเองก็ได้เห็นชัดว่าสังขาร น, นี้ไม่เที่ยงเลยเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่น่ายึดถือเลยพอเห็นเช่นนี้ท่านก็ปล่อยวางและบรรลุธรรมในตอนนั้นเลย เพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยก็ขอให้ถือว่าร่างกายนี้กำลังสอนธรรมะแก่เราความเจ็บป่วยกำลังสอนธรรมะแก่เราว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงเลยไม่น่ายึดถือและยึดถือไม่ได้ด้วยการพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอช่วยให้เราปล่อยวางได้เร็วขึ้นและหลุดจากความทุกข์ได้ง่ายขึ้น เวลาร่างกายเจ็บป่วยอย่าไปนึกว่าเราโชคร้ายเราทำกรรมอะไรไว้หนาถึงเจ็บถึงป่วยลองพิจารณาใหม่ว่าความเจ็บป่วยกำลังสอนธรรมะให้แก่เราเขากำลังมาแสดงสัจธรรมให้เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่น่ายึดถือหากเราเปิดใจรับสัจธรรมก็จะช่วยให้เราเกิดปัญญาและสามารถปล่อยวางได้ คือไม่ยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นชั้นเป็นของชั้นไม่ยึดติดว่าเป็นตัวตนเราปล่อยวางร่างกายนี้ได้มากเท่าไหร่ใจเราก็จะเบามากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าร่างกายยังทุกข์อยู่แต่เราไม่ยึดว่าความเจ็บปวดเป็นของชั้นไม่สำคัญมั่นหมายว่าฉั้นปวดหรือฉั้นเจ็บปว่วย ตรงนี้แหละที่อยากจะให้ผู้ที่เจ็บป่วยมองว่าธรรมชาติกำลังมาเปิดใจให้เราค้นพบสัจธรรมอาตมาอยากจะบอกว่าเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่เพราะเราหายแต่เพราะเราปล่อยวางได้ถ้าเราเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายก็อย่าไปเสียใจให้ตระหนักว่าที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะโรคแต่เราทุกข์เพราะความยึดติด โรคอาจจะรักษาไม่หายแต่เราสามารถปล่อยวางความยึดติดได้ถ้าเราปล่อยวางความยึดติดได้โรคร้ายก็ทําอะไรจิตใจเราไม่ได้อีกต่อไปร่างกายแม้จะยังป่วยอยู่แต่ใจไม่ได้ป่วยด้วยหากทําได้อย่างนี้ในที่สุดแม้กระทั่งความตายก็ทําอะไรจิตใจเราไม่ได้เพราะเราปล่อยวางได้แล้ว คนเรากลัวตายก็เพราะยังมีความยึดติดเรากลัวความสูญเสียเพราะเรายังยึดติดสิ่งต่างๆมากมายเช่นทรัพย์สมบัติคนรักแต่พอเราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ความตายก็ไม่น่ากลัวความตายกลับเป็นเครื่องเตือนใจที่ช่วยน้อมใจเราให้เกิดความสงบอาตมาได้กล่าวมาพอสมควรแล้ว คงจะเป็นคติธรรมให้ทุกท่านเกิดกำลังใจในการเรียนรู้วิธีปล่อยวางจากความทุกข์เรียนรู้วิธีปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อใจเราจะได้ค้นพบความสุขความอิสระความโปร่งเบาขอให้ทุกท่านได้ค้นพบภาวะเช่นนี้ด้วยตัวของท่านเองทุกคนคำถามคําตอบ อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการปล่อยวางมันแปลว่าวางเฉยไม่ต้องทำอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือคะการปล่อยวางไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานกลับช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นแต่ต้องอธิบายก่อนว่าการปล่อยวางขณะทำงานนั้นมีสองความหมายแบบที่หนึ่งคือปล่อยวางจากความยึดถือว่าเป็นชั้นเป็นของชั้น แบบที่สองคือปล่อยวางจากความยึดถือในเป้าหมายหรือผลที่จะเกิดขึ้นเอาแบบที่สองก่อนถ้าเราทำงานด้วยความตั้งใจแต่ไม่ไปใส่ใจกับผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าใจเราจะสบายขึ้นเหมือนกับเราเดินทางแม้เส้นทางจะไกลแต่ใจเราไม่ไปคิดถึงเป้าหมายว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเรายังเดินต่อไปไม่หยุด การวางใจแบบนี้จะทำให้เราเดินได้สบายกว่าในทางตรงข้ามถ้าเราเดินด้วยใจที่นึกถึงแต่เป้าหมายคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเดินแบบนี้เราจะทุกข์มากอย่างที่เรียกว่ายึดติดในผลหรือเป้าหมายเวลาทำงานเราจะทำงานอย่างมีความสุขหากทำด้วยใจที่ปล่อยวางจากอนาคตหรือจากผลที่จะเกิดขึ้น คือมันจะสาเร็จหรือไม่เป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าตอนนี้ฉันขอทาอย่างเต็มที่อาจจะไม่สำเร็จก็ได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่ฉันควบคุมไม่ได้แต่ว่าฉันก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่อันนี้เป็นวิธีการทำงานแบบพุทธตรงกับคติของจีนว่าการกระทำเป็นของมนุษย์ส่วนความสำเร็จอยู่ที่ฟ้านี่คือความหมายหนึ่งของการปล่อยวาง คือปล่อยวางจากความคาดหวังในผลให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นของดีมีประโยชน์ก็ขอให้เราทำเต็มที่ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรอย่าไปสนใจปล่อยวางอีกแบบคือปล่อยวางจากความยึดถือว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นคือบางครั้งเราไปเข้าใจว่าเราจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่องานนั้นเป็นของเรา แต่ถึงแม้มันไม่ใช่ของเราเราก็ยังควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นเช่นเรายืมเงินเข้ามาเรายืมรถเข้ามาเรายืมโทรศัพท์เข้ามาถึงแม้ว่าสิ่งที่เรายืมมาจะไม่ใช่ของเราแต่เราต้องรับผิดชอบดูแลสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมคนที่บอกว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ดูแลแสดงว่าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบ การที่เราปล่อยวางสิ่งต่างๆว่าไม่ใช่ของเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่รับผิดชอบสิ่งนั้นความรับผิดชอบก็ยังมีอยู่ถึงแม้ไม่ใช่ของเราเราสามารถที่จะดูแลเอาใจใส่สิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ใช่ของเราเรื่องของครอบครัวก็เช่นกันถึงแม้ลูกไม่ใช่ของเราสามีพัญญาไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ยังรับผิดชอบดูแลเขา มีความเมตตากรุณาต่อเขาเราไม่ได้ทำเพราะความยึดความติดเราทำเพราะเราเห็นว่าการทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าละทิ้งเรื่องความถูกความผิดละทิ้งเรื่องความดีความชั่วมันไม่ถึงขนาดนั้นสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราก็ทำแต่ว่าเราทำด้วยความไม่ยึดติดว่าถ้าลูกเป็นของเรา ลูกต้องเชื่อฟังฉันนะลูกอย่าเถียงฉันนะหากทำอย่างนี้เรียกว่ายึดติดแล้วคนที่คิดว่าการปล่อยวางคือการไม่รับผิดชอบหรือการไม่ทำอะไรเลยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมีคราวหนึง่งหลวงพ่อชาไปเยี่ยมไปดูลูกศิษย์ที่พำนักตามกุฏิต่างๆลูกศิษย์คนหนึ่งพักในกุฏิที่มีหลังคารั่วท่านก็ปล่อยให้ฝนรั่วลงมา ฝนรั่วตรงไหนก็ย้ายไปนั่งที่อื่นที่มันไม่รั่วหลวงพ่อชาก็ถามพระรูปนั้นว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นพระรูปนั้นตอบว่าผมปล่อยวางครับหลวงพ่อชาจึงอธิบายว่าปล่อยวางในพุทธศาสนาไม่ใช่วางเฉยแบบควายนะคือหลังคาเสียก็ต้องซ่อมถึงแม้ว่าไม่ใช่กุฏิเราปล่อยวางไม่ได้แปลว่านิ่งดูได้ไม่ทาอะไรเลย ปล่อยวางหมายถึงการปล่อยวางที่ใจแต่ว่ายังกระทําด้วยความรับผิดชอบอยู่เราต้องรู้จักแยกให้ถูกเราควรทําด้วยความรับผิดชอบแต่ด้วยใจที่ปล่อยวางฉะนั้นการดูแลครอบครัวทํางานการเราควรทําอย่างเต็มที่แต่ว่าใจไม่ไปยึดว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นใครมาตําหนิงานการก็ไม่รู้สึกว่ามาตําหนิเรา เพราะงานนั้นไม่ใช่เราใครมาวิจาร์งานก็ถือว่าดีเราจะได้แก้ไขให้งานออกมาดียิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าใครมาแตะงานฉันก็เท่ากับว่ามาวิจาร์ฉันเดี๋ยวนี้เราไปคิดกันแบบนั้นก็เลยทุกข์มากท่านอาจารย์พุทธทาสแนะว่าเวลาทำงานควรยกผลงานให้เป็นของความว่างอย่ายึดติดว่าเป็นของฉันมันจะทำให้ทุกข์ ถ้าเราทําแบบปล่อยวางก็จะทางานการได้เป็นอย่างดีและมีความสุขด้วยได้ทั้งสองอย่างคืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขขอให้เข้าใจอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราเข้าใจผิดไปคิดว่าปล่อยวางคือปล่อยมือไม่เอาธุระถ้าพระพุทธเจ้าปล่อยวางอย่างนั้นพระองค์ก็จะไม่สอนคนนานถึง45ปีหรอก พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่ทำงานอย่างปล่อยวางเมื่อกี้ที่บอกว่าปล่อยวางจากความคาดหวังแสดงว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยทั่วไปถ้าเกิดว่าการมีความหวังหรือกำลังใจในทางพุทธศาสนาเขาให้พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับความหวังของคนไข้ความหวังก็มีประโยชน์ แต่ว่าถ้าเราไปหวังมากไปเราก็จะทุกข์เมื่อมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังยกตัวอย่างง่ายคนที่นั่งสมาธิด้วยความคาดหวังอยากให้ใจสงบเขาจะนั่งสมาธิด้วยความทุกข์เพราะใจไม่ยอมสงบยิ่งอยากสงบใจก็ยิ่งไม่สงบครูบาอาจารย์จึงสอนว่าให้ทำสมาธิด้วยใจที่ปล่อยวางคือไม่ใช่ไม่นั่งนะปล่อยวางก็ยังต้องนั่งสมาธิ แต่นั่งด้วยความไม่คาดหวังสำหรับคนธรรมดาเขายัางต้องการความคาดหวังเราให้กำลังใจเขาได้ทั้งหมดที่พูดมาอาตมาพูดสำหรับคนที่พอจะเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วแต่สำหรับคนทั่วไปความหวังก็ยังจำเป็นอยู่อันนี้เราก็ต้องแนะนำตามลำดับขั้นของความเข้าใจของเขาคือดูว่าเขามีความเข้าใจระดับไหน รู้จักทำใจขนาดไหนบางคนรู้ธรรมะดีแต่ว่าไม่รู้จักทำใจก็ได้พอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็เสียศูนย์หรือช็อกทันทีตอนนั้นสมองไม่รับรู้อะไรแล้วแนะนำธรรมะอย่างไรก็ไม่รับเขาตอนนั้นอาจต้องการแค่คำปลอบโยนหรือกำลังใจ อันนี้เป็นธรรมดาอย่าไปคิดว่าคนที่เข้าใจธรรมะแล้วเขาไม่ต้องการกำลังใจหรือคำปลอบโยนเขาก็ต้องการเหมือนกันแต่ว่าอาจจะชั่วครู่ชั่วยามพอเขาตั้งสติได้แล้วก็จะเปิดใจฟังธรรมะหรืออาศัยธรรมะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของตัวได้